นะโมเตปุริสาชัญญนยะนะโมเตปุริสุตตมักยะสะเตนะพิชานามะยมปินิสายะชายตีติข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าพเจ้าก็น้อมน้อมท่านข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าก็น้อมน้อมท่านข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ชัดเหตุนั้นนั้นได้ พระอาศัยการเพ่งของท่านในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีตอนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเรามาฟังธรรมะกันตบูฟังในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมูลนิธิปัญญาปาวนากับพระมหาภัยบุ์อาภิปุณโญ ในุกวธนาคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกเห็นบุฟังได้ทําจิตให้มีความวิเวให้มีความหลีกเร้นตื่มาแล้วเราอยู่สงัดเงียบเราอยู่สงบสง บ, สงบทาจิตให้เป็นหนึ่งให้เป็นอารมณ์เดียวกันสักครุ่นแต่บุฟังประมาณหกสิบนาทีเรามาฝึกปฏิบัตินำธรรมะเข้าสู่ในใจกัน มันนีให้นุมฟังในเพ่งอย่างอาชาในเพ่งอย่างบุคคลอาชาในบุคคลที่มีใจจดจ่ออยู่อย่างถูกต้องดีงามเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้กับภิกษุชื่อสันทะเราเริ่มต้นกันดูฟังด้ดยการมาสังเกตลมหายใจ เรานี้เราใช้อานาปานสติเป็นการเพ่งเป็นการจดจอ่อสังเกตดูลมหายใจของเราไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงหายใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องให้มันเร็วช้าแรงค่อยหี่ห่างเย็นร้อนหรือว่าสั้นยาวอย่างไร ตามเรื่องที่มันจะเป็นร่างกายเขาก็จะปรับของเข้าโดยอัตโนมัติอยู่แล้วให้เราแค่สังเกตดูนะที่ตำแหน่งเดียวนั่นคือตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้อยู่ด้านในโพรงจมูกบริเวณจุดที่เรารับรู้ถึงกลิ่นจะกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะ เวลาเรารับรู้กลิ่นี่มันกึกขึ้นมันจะอยู่บริเวณตรงกลางกลางโพรงจมูกเพราะว่าตรงนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่มากทั้งกลิ่นด้วยทั้งอะไรด้วยสมรธิตัวนั้นมันจะดีให้เราตั้งจิตตั้งสติกำหนดดูเอาจิตจดจ่อไว้ณนะที่ตาแหน่งนั้นโดยไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลม การแค่เราดูรู้สังเกตอยู่เฉยๆตรงนี้ตูมฟังพระพุทธเจ้าใช้คำว่าชายะชอกระเชอสละอายยอยักอ่านว่าชายะไม่ใช่ญาณ น, นะถ้าญาณนะก็ต้องเป็นยอหญิงใช่ไหมตอนี้ชายะคือการเพ่งหมายถึงฌานการเพ่งในที่นี้หมายถึงการเอาใจจดจอ่อ แปลตรงตัวจากคำว่าชายะเลยแต่ว่าพอแปลมาเป็นภาษาไทยคำว่าเพ่งี่จะให้ความรู้สึกรวมถึงการต้องบังคับด้วยต้องขู่เข็นต้องแบบต้องเกรงต้องบังคับนี่ไม่หม่ชายะไม่ได้มีความหมายในแนวนั้นนี่คือลัอกษณะความเพี้ยนไปของการแปล พอแปลแล้วเรามาใช้ศัพท์พื้นเมืองคือภาษาไทยนี่มันก็จะมีบทบทของคำศัพท์อื่นที่เป็นภาษาพื้นเมืองนั้นเข้ามาแทรกด้วยแต่การเพ่งที่แปลตรงตัวจากกำากชานนั้นเป็นลักษณะาการควบคุมไม่ได้เป็นการบังคับกูเก้นแล้วก็แน่นอนว่ามันไม่ใช่เป็นการปล่อยปละละเลยไม่สนใจไม่ใช่ ขึ้นไปไว้กับการจับนกกระจาบถ้าเราจับนกกระจาบด้วยมือสองมือแน่นมือเกินไปบีบ ม, มันแน่นไปอันนี้คือมันจะตายได้ปรือเมือนกับว่าถ้าเราบังคับกู่เข็นจิตของเราเกินไปมันจะปวดหัวมันจะปวดประสาทไม่ได้จะใช้หรือทําลักษณะนี้อยู่เป็นประจำได้ตลอดแน่ แต่ว่ า, าบางครั้งบางคราวบางทีเราอาจจะบังคับบ้างอันนี้มันเกิดขึ้นได้แต่เพราะว่ามันเป็นวิธีการกำจัดความคิดในทางอากุศลหนึ่งในหวิธีเป็นวิธีที่สี่หรือห้าที่พ ร, ระพุทธเจ้าแนะนําไม่ทําต่บอกว่าหนึ่งสองสามสี่มันไม่เวิร์กแล้วนี่อันนี้พราพุทเจ้าเคยพูดไปแล้วจะมาจับนกกระจาบด้วยมือสองมือบีบแน่นไปเดี๋ยวนกมันก็จะตาย หรือถ้าในทางตรงกันข้ามจับนกกระจาบสอมือหลวมมื อ, มอเกินไปนกมันก็บินหนีไปได้นะก็ต้องพอดีๆอดีหลวมมือเกินไปน็่คือปล่อยปลาละเลยไม่สนใจไม่แค่์ตามความคิดไปผ่านทางใจตามเสียงไปผ่านทางหูเพลินต่อเนื่องปรุงแต่งไปเต็มที่หรือตามกลิ่นตามภาพ แต่พ่อเรามีลมหายใจในทุกฝั่งเรามาจดจ่ออยู่กับลมทำอย่างเป็นธรรมชาติแน่นอนว่ามันจะมีการควบคุมอยู่ในตัวแล้วสังเกตดูลมจะทําให้จิตที่มันจะเพลินไปตามเสียงบ้างจะทําให้จิตที่มันจะเพลินไปตามความคิดบ้างมันลดความเพลินลงได้ทันทีทําไมนะ เพราะว่าพอเรามาจดจ่อไงการเพ่งไงเพราะฉะนั้นการเพ่งนี่ถ้าจะและให้เข้ากันกันกบบริบทในคําศัพท์ภาษาไทยเราก็ใช้คําว่าจดจอ่อได้จะจดจอ่อจะเพ่งจะกําหนดดูจะรู้ดูรู้นี่คือลักษณะของการเริ่มจากการตั้งสติขึ้นบุฟะและการที่เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือ เรียกการตั้งสตินี้ว่าอานาปานาสติคือสติที่เรามานึกถึงลมหายใจคือใช้ลมหายใจเป็นคเครื่องมือแต่ลมหายใจกับสติไม่ใช่อันเดียวกันลมหายใจเป็นคเครื่องมือให้เกิดสติได้เช่นความเป็นช่างกับคเครื่องมือช่างไม่เหมือนกันนะคุณมีไข ค, รครวงคุณมีสว่านคุณมีค้อน จะมีคเครื่องมือก็ไม่ได้จะการันตีว่าคุณจะมีทักษะของความช่างชิงหรอกคุณเราคเครื่องมือนั้นมาฝึกทักษะก่อนไงคุณเอาสว่านมาคุณเอาเกียงฉาบ ป, ปูนมาคุณเอาค้อนมาคุณเอาขั่วมาเสร็จแล้วมันก็เอามาฝึกงานดูลองทําดูตักดูฉาบดูแต่งดูทําไม่ได้เหรอทำสองสามครั้งดูกอมันก็ได้อาจจะไม่เป็นเหรอทำสองสามครั้งดูเอามันก็เป็นยังไม่เป็นเหรอทำสี่ห้าครั้งดูมันก็เป็นขึ้นมา เอายังไม่ชํานาญเหนอะทำหกเจ็ดครั้งรู้มันก็ชํานาญขึ้นมาเหมือนกันนะทุกฟังคนที่มีลมหายใจทุกคนก็ยังไม่ตายทุกเวละเออแต่ว่าคนที่ยังเป็นอยู่ยังไม่ตายทุกคนไม่ใช่ว่าจะมีสตินะหายใจทิง้งเฉยเมันก็มีไม่ได้หายใจมีสติเอาก็คุณไปเอาเครื่องมือมาใช้ไงอาตอนนี้เราเอาเครื่องมือมาใช้คือเร า, มาหมายใจให้เกิดสติขึ้นเรียกว่าอ า, า, าณาพานสติ และตรงนมันเกิสติตรงที่เรามันนึกถึงลมนั่นแหละตัมฟังมันคือสติเราทึกถึงลมตรงไหนสติเกิดขึ้นตรงนั้นตรงไหนนะตรงลมใช่ปล่าล่ะแต่ลมกับสติไม่ใช่เดินเดียวกันไงอย่างที่ว่าแต่มันก็เกิดตรงนั้นแหละเกิดในช่องทางใจของเราการที่เรามาจดจออยู่กับลมตรงนี้เรียกว่าเพ่งเลยก็ได้เพ่งมีการเพ่งอยู่สองแบบตัมบูฟัง เพ้งแบบกระจอกกับเพ้งอย่างอาชาไนบริบทคำว่ า, าอาชาไนนั้นมาจากผู้เปรียบเทียบของลักษณะมมามมาอาชาไนกับมมากระจอกต้องจะเปรียบเทียบสัตว์ที่นำมาใช้งานฝึกให้มันที่จะใช้งานไม่ว่าจะเป็นมมาสำหรับเดินทางช้างสำหรับ คนของหลากสูงหรือว่าลาหรือว่าโคนี่ถ้าเป็นช้างก็เหมือนกับรถสิบล้อแต่เป็นม้านี่ก็เหมือนกับรถเกง๋งเป็นโคนี่ก็เหมือนกับรถกระบะเป็นล่านี่ก็เหมือนกับมอไซค์แล้วคุณจะใช้งานมันเป็นไหมก็อยู่ที่ว่ามันขับเป็นมบละรถต่างๆเหล่านั้นคนขับรถสิบล้อไม่เป็นก็ใช้งานรถสิบล้อไม่ได้ละ เปรียบเทียมกันว่าสัตว์เหล่านั้นที่คุณจะเอามาใช้งานในการลากเข็นบาในการเดินทางบ้างนี่ได้รับการฝึกหมายอย่างไงเป็นสัตว์ประเภทไหนมันจะรู้ถึงคำสั่งไหมแต่บอกว่ามันไม่รู้คำสั่งมันก็จะเป็นไปตามวิสัยที่คนเลี้ยงสัตว์เขาจะเรียกว่าเป็นของสัตว์ป่าก็จะเปรียบเทียบกันตบฟัง ระหว่างความเป็นสัตว์ป่ากับความเป็นสัตว์เลี้ยงแตกต่างกันตรงที่ว่าในป่านั้นมีอันตรายมากสัตว์ป่ามันก็จะมีความกลัวความระแวงอะไรไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเสียงกึกกักนิดนึงมันก็ตกใจลวหรือใครเดินผ่านม้านิ่มันก็กลัวละมันก็จะไม่รับฟังคำสั่งมันก็จะไปตามความสะดุ้งกลัวนี่คือวิสัยของสัตว์ป่า ไม่รับฟังคาสั่งแต่จะไปตามอำ น, นาจของความกลัวความอยากไปงั้นตรงไหนกลัวตายกลัวอันตรายก็หนีตรงไหนมีอาหารอะไรก็กินใส่เต็มที่เพราะกลัวอดในขณะที่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั้นมันก็ต้่งเชื่องไงต้องรู้จักฟังคาฟังคาสั่งของผู้เลี้ยงผู้ให้อาหารไม่มีอันตรายนะอยู่นิ่ง ใจกันนะตรงนี้ให้ย่อลงนะตรงนี้ให้ยกขึ้นนะตรงนี้ให้ไปตรงนี้นะอ น, นี้ให้ซ้ายอย่างนี้นะอันนี้การรู้จักฝังคํานี่เป็นลักษณะของสัตว์เลี้ยงซึ่งแน่นอนดูฝั่งมนุษย์มันก็ไม่ได้พูดภาษาควายได้ใช่ไหมละ่ะหรือช้างก็ไม่ได้พูดภาษามนุษย์ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้สื่อสารกันด้วยภาษาแบบนั้นมันจะต้องมีการฝึกกันเสียก่อนเนี่ย แม้แต่คนเราเองเองก็ตามนะทุกวางมันก็ยังต้องฝึกก่อนไม่ว่าคุณจะทําทักษะอะไรที่มันจะละเอียดลึกซึ้งหรือว่ามีความยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งมันก็ต้องได้ฝึกทักษะทั้งหมดะคุณเล่นเปียโ น, โนไม่เป็นอา้าวก็ลองเล่นดูเออใครมันจะเล่นเปียโนเป็นมาตั้งแต่เกิดมันก็ต้องลองก่อนนะแม้แต่เด็กที่บอกว่าเล่นเปียโนเก่งมาตั้งแต่เด็กเขาก็ต้องทดลองก่อนครั้งแรกนั่นแหละทดลองแล้ว จะเรียนได้เร็วหรือเรียนได้ช้าหรือเรียนไม่ได้มันอยู่ที่ลักษณะของคนคนนั้นว่าฝึกได้ไหมในทักษะนั้นๆบางคนฝึกในทักษะบางอย่างได้เร็วบางคนก็ต้องใช้เวลาไอ้ที่ว่าเร็วในทักษะยด้านหนึ่งเช่นดนตรีอาจจะไม่ได้มาดีได้ในทักษะด้านกีฬาก็ได้ หรือด้านการสื่อสารพูดคุยก็ได้หรือด้านการคำนวณก็ได้ก็เป็นคนละทักษะไปใช่ไหมละ่ะ น, นั่นคือลักษณะที่ว่าคนเปรียบเทียบกับสัตว์ในสองด้านคือบรบิบทของสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์ป่าซึ่งความแตกต่างของเก่านั้นคือลักษณะการเพ่งที่แตกต่างกันนั่นเองสัตว์เลี้ยงในที่นี้ก้าพเจาหมายถึงสัตว์ที่มันฝึกได้ออกมาดีแล้วเลยนะ รู้จักรับคำสั่งเข้าใจความมีความฉลาดหลักแหลมรู้ได้ลักษณะหนึ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในสันตสูตรเราให้ท่านพระสันตสัตวฟังคือเปรียบเทียบว่าในกระบวนการการฝึกนี้มันอยู่ที่ว่าสัตว์ตัวนั้นไม่ว่าจะช้างมา้าหรือบัวหรือลาก็ตาม เขาสนใจเพ่งจดจ่อไปที่ไหนเรายกตัวอย่างของม้าสองตัวด้วยกันม้าตัวแรกเป็นม้ากระจอกเพ่งจดจ่อไปที่หนึ่งม้าตัวที่สองเป็นม้าอาชาในเพ่งจดจ่อไปอีกที่หนึ่งคนละที่กันโอกคผูกผูกอยู่ที่รางเลี้ยงอาหารเหมือนกันนะสองตัว อยู่ในคอกม้าเหมือนกันนะสองตัวนะแต่ตัวหนึ่งจิตมันไปที่หนึ่งอีกตัวหนึ่งจิตมันไปอีกที่หนึ่งแค่เพ่งจดจ่อไปคนละที่นี่เรียกชื่อมา้าที่อย่างต่างกันแล้วนะตัวนี้เอ๋อโอ้หนีมากระจอกแต่ตัวนี้นะ่ะโอหนีมาอาชาไนาเอา้าปลูกอยู่ที่รังเลียงอาหารเหมือนกันไม่ตัวหนึ่งเรียกกระจอกตัวหนึ่งเรียกอาชาไนา ูข้างน้ามก็เหมือนๆกันนะเพราะมันเพ่งไปคนละที่ม้ากระจอกเพ่งไปที่ไหนเพ่งว่าได้วันนี้จะกินอะไรนี่วันนี้จะได้อะไรนี่วันนี้จะได้ไปไหนนี่ไม่ได้จะคิดถึงว่าไอ้วันนี้จะฝึกอะไรไม่ได้คิดนะหรือว่าถ้าควานมา้าคนเลี้ยงม้าพูดอย่างนี้ให้ทาสัญลักษณ์นี้เราจะตอบสนองเข้าว่ายังไง ไม่ได้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องว่าวันนี้จะได้กินราข้าวเหรอไม่แต่ว่าเมื่อวานกินราข้าวแล้วนะวันนี้จะกินหญ้าไหมเออหญ้าถ้าจะดีนะแม่แต่หญ้ า, ามันไม่เขียวมันก็ไม่ค่อยดีนะเออหรือเอ า, เอาน้ำแล้วกันนะ่ะโหวน้ำนี่ก็จะใสหรือน้ำจะขุ่นหรือน้ำจะเย็นหรือน้าจะร้อนเพ่งอยู่แต่ถ้าเรื่องพวกนี้นี่คือมากระจอก มันไม่ได้ใส่ใจเลยว่าจะฝึกอะไรจะดับน้องยังไงมากระจอกคิดอย่างนี้ในหน้าที่มาอาชาในกมาอาชาในกมาจากกมาอาชานะัซึ่งหมายถึงการรู้ความการเข้าใจความกบจึงใช้คำว่าอาชานนยะคืออามาเป็นตัวอธิบายใช่กาเนิดของมาว่ามันเกิดมาในตระกูล หรือเป็นกรรมพันธุ์ที่มันจะเข้าใจความภาษาคนได้ไหมแล้วเด็กๆ ก, ก็จะต้องเริ่มดูแววออกละัะหรือถ้าโตขึ้นมาหน่อยไม่ได้ใช้แววมาแต่เด็กเออแต่าอาจจะเอามาฝึกได้บ้างบางตัวก็ฝึกได้ตอนโตขึ้นมาก็มีแต่ถ้าแววมันมืดมาตั้งแต่เด็กว่าเ อ, อ้ยเนี่ยฝึกไม่ได้นะออมีแต่การเพ่งอย่างไม่ดีนะก็คือไม่ใช่มาอาชายนายเลย ว่าอาชาในจึงมันเป็นตัวที่จะอธิบายถึงลักษณะความเป็นมา้าว่าจิตใจของมันนี่เพ่งไปคนละที่ตั้มบังเพ่งไปในลักษณะที่จะรู้ความเข้าใจความความของไรความของคนเลี้ยงไงคือมันไม่ได้จะมาเพ่งเรื่องอาหารวันนี้จะได้กินข้าวโพโดหรือวันนี้จะได้กินหญา้าหรือจะได้กินรำไม่ แต่มันจะมาเพ่งอยู่ที่คนฝึกจดจออยู่ที่การฝึกว่าเอ๊ะวันนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะให้มากินอะไรแต่ว่าถ้าเขายกมืออย่างเงี้ยเรื่เราต้องต้องยกเท้าไหนกันแน่นะหรือต้องกระโดดหรือต้องหมอบหรือต้องยังไงนี่คือความช้างสั่งให้ทำการยังไงเราจะตอบสนองเขาอย่างไรติ่เพ่งมาตรงนี้คือเพื่อที่จะรู้ความไงเพ่งมาในการที่จะ เข้าใจความไงอาชานะเนี้ยคือความรู้ความเข้าใจให้เข้าใจให้มันถูกสัตว์ที่มันรู้ความมันจึงเชื่องไงทุกฝั่งก็ใช้คํานี้เพราะมันรู้เรื่องอย่างสาัตว์เลี้ยงในบ้านเราหมาหรือแมวเนี่ยนะคนที่เลี้ยงหมาหรือแมวนี่จะทราบคือแม้ว่าพันเดียวกันเลยอะนะแต่นิสัยมันไม่เหมือนกันนะ สุนัขหรือแมวก็ตามออกมาจากแม่กับพ่อตัวเดียวกันเนี่ยแต่ลูกออกมานี่ยิสัยไม่เหมือนกันบางตัวเกเรบางตัวนี่ตีมึนบางตัวนี่ก็ตัวตึงไอตัวที่มันรู้เรื่องมันก็มีสั่งให้อย่าเพิ่งกินมันก็ไม่กินได้ที่มันมันเข้าใจความเรามันต้องการรู้ว่าเราอยากให้มันทำอะไรมันก็ทำอย่างนั้นแต่บางตัวที่มันไม่เข้าใจความเลย อยากกินมันก็กินอยากไปมันก็ไปเรียกมันไม่เข้าใจมันก็หม่มาแต่ไม่มีอะไรล่อเออเนี่คือมันตึงไงมันมึนนั่นไม่ใช่อาชาในเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจความเขาเรียกว่ากระจอกเป็นหมากระจอกเป็นแมวกระจอกเป็นม้ากระจอกแต่ถ้าอาชาในนี่จะรู้ความจะพยายามตอบสนองให้รู้ให้ได้ถึงแ ม, ม้ไม่ได้พูดภาษามนุษย์ ซึ่งแม้แต่ภาษามนุษย์เองนะดูฟังคนเป็นมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยบางที่ยังคุยกันไม่รู้เรื่องด้วยภาษามนุษย์ด้วยกันเองนี่ด้วยภาษาหลากหลายนะ่ะโอ้อยจะไปพูดอะไรกับสุนัขหมาแมวหยิงสัเก์ื่นนี่โอ้ยมันจะไปแก้ได้ไงซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆดูฟังแล้วเราจะแบบอ๋อเอาไขาควงเข้าไปจูนในสมองมันเอาอะไรเข้าไปเคี่ยนในหูมันหรือได้เข้าไปแยงในจมูกมัน เพื่อปรับจูนมันไหวเจ้าจงเข้าใจคำนี้นะมันไม่ได้มันจะต้องมีวิธีการฝึกไงใช้อาหารล่อบ้างใช้การลงโทษบ้างแม้ด้วยกระบวนการการฝึกนั้นบางตัวก็ฝึกได้บางตัวก็ฝึกไม่ได้ฝึกไม่ได้ตัวตึงมากนี่คือกระจอกจริงๆบางตัวพอฝึกให้ทำอันนี้ได้ทำอันนั้นได้ บางตัวฝึกทำงานง่า ย, ายได้บางตัวฝึกทำงานยากได้เพราะว่าความที่มันรู้ความอยู่ในตัวของสัตว์ประเพณีนั้นคืออาชาในจะช้างก็ตามจะม้าก็ตามจะโคก็ตามเราใช้คำคุณศัพท์คำนี้อธิบายได้เลยว่าเป็นลักษณะอย่างไรถ้ายกตัวอย่างของม้ากระจกปะเปรียบเทียบส่วนต่างด้วยม้าอาชาใน แตกต่างกันตรงการเพ่งของมันกระจอกนั่นก็เพ่งดีอาหารผลประโยชน์สิ่งที่ตนจะได้รับอาชานในนั้นเพ่งไปตรงที่จะรู้ความไปตรงที่จะเข้าใจว่าต้องตอบสนองอย่างไรไม่ได้ใส่ใจมาในเรื่องปากท้องอาหารความเป็นอยู่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนั้นเพ่งไปกุลทีเห็นไหมเพ่งไปกุลจุด ผูกๆอยู่ที่รังเลี้ยงอาหารเหมือนกันก็จริงแต่จิตของมันไปคนละที่ด้วยจิตที่ไปคนละที่จึงเวลาเขาเอาไปทำงานเขาพาไปนั่นนี่เขาพาไปคนละที่เลยมากระชองนี่เอาไปทำอะไรอุะ้ยเอาไปลากเข็นได้ทั้นละ่ะแต่ม้าอาชาเนี่ยเอาไปทำอะไรอะนี่เอาเข้าสเตเดียมได้ออกงานได้ ให้เป็นมาทรงของพระราชาได้ทํางานสําคัญสําคัญไปที่ที่แบบว่าม้ากระจอกไม่ได้ไปอะเออเพราะว่าจิตเพ่งไปคนละอย่างไงเปรียบเทียบกับมาแล้วทุกฝั่งเหมือนสกุลเป็นอุปามา ย, ยกขึ้นเปรียบเทียบกับอุปามาม่คือบุคคลเรานี่แหละบุคคลบางคนเป็นคนกระจอกบุคคลบางคนเป็นคนอาชาใน คนกระจอกเพ่งไม่เหมือนกันกันกบคนอาชาในคนกระจอกจะเพ่งหมายถึงเขาใจจดจ่อไปในเรื่องที่มันเป็นทางลบเรื่องที่มันไม่ประเทองปัญญาเรื่องที่มันจะไม่ได้เกิดประโยชน์ในขณะที่คนที่เป็นอาชาในจะไม่ได้สนใจเรื่องทางลบเรื่องทางอากุศลเรื่องที่มันจะสามปัญญาไม่ให้เกิดความเข้าใจใหม่ แตเขาพยายามที่จะทําความเข้าใจว่าทีอ่อันนี้อะไรยังไงอันนี้มันปัญญาอะไรไงพยายามที่จะคิดทําความเข้าใจในปัญญาเลยนะมันเกิดทันทีเลยนะเพ่งต่างกันยังไงคนกระจอกก็เหมือนมากระจอกนั่นแหละจะมาโฟกัสอยู่แต่เรื่องปากทองไงอาหารจะเป็นยังไงเสียงจะเป็นยังไงดนตรีจะเป็นยังไงอากาศจะเป็นยังไงอันนี้มันมาโฟกัสอยู่กับเรื่องของการ ความสุขที่เกิดจากทางกามาวัตถุตาหูจมูกลิ้นกายในการมาวัตถุใช่ไหมวัตถุกรรมแล้วเลิ่เพลินลุ่มหลงไปในวัตถุกามนั้นความเปลินความลุ่มหลงไปในวัตถุกรรมนั้นเรียกว่ากามกิเลสมีการมกิเลสอยู่ในจิตใจพอยกเรื่องกรรมขึ้นก็เรื่องโกล ด, ด้วยก็ต้องมาด้วยกัน เโกรธความไม่พอใจความพยาบาทความอาฆาตคนนี้มันทําให้เราอย่างนี้คนนี้มาขับรถปาดหน้าเราอย่างนี้แม้มันน่ากโกรธจริงๆโกรธขึ้นมาบ้างหรือคนนี้เขาต้องบริการเราอย่างนี้แต่แม่แต่มันไม่บริการเราอย่างนั้นแม่มันน่ากโกรธจริงๆหัวรอยขึ้นมาบ้างเรื่องความลุ่มหลงในกามเรื่องความพยาบาทยังเรื่องความไม่เข้าใจตีมืองงๆ ไม่ตอบนอสน้องลักษณะความขี้เกียจขี้ครา้านนี่คือทีนามิตะคือความง่วงซึมความง่วงเหงาเหงานอนความขี้เกียจความมึนตึงความไม่เอาใจใส่ลสักษณะนี้คือนิวรณ์ท้งหจะมีนิวรณ์ท้ง5้าเข้ากลุ่มรุมแล้วก็ฟุ้งซ่านด้วยแล้วก็นั่นนี่ด้วยพทกูเหนื่อยไ่หมดอะยกเว้นโทษตัวเองใส่ใจแต่เรื่องของกูเหือยไปหมดอะยกเว้นใส่ใจเรื่องของตัวเอง เหมือนม้กระจอกเพ่งอยู่ต่อว่าอาหารอาหารอาหารเพ่งอยู่ตรงนี้เพ่งไปในเรื่องที่จะให้เกิดนิวรณให้เกิดความเศร้าหมองของปัญญาให้เกิดความเศร้าหมองใจเป็นเรื่องควางเป็นเรื่รงองค่องเพ่งไปตรงนั้นมีการมีปยาบาดมีความง่วงซึมมีความฟุง้งช่านมีความไม่เข้าใจความนั่นคือบุคคลที่ไม่อาชาธน า, างไงาเรียกว่ากระจอก แต่ถ้าบุคคนอาชาในนี่จะเพ่งพยายามทําความเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ม่เกิดขึ้นมาได้ยังไงมันดีไม่ดีมันใช่ไม่ใช่เอ๊ะไม่ใช่ก็ไม่เอาเออมันไม่เที่ยงก็ไม่เอาเวลาที่จะเพ่งไปอย่างคนอาชาในนี่กำหนดดูนี่กำหนดรู้นี่มันจะมีสติขึ้นมาเลยทุกฝังเวลากำหนดอยู่กับ สิ่งที่เป็นนิวรณ์เช่นบางคนก็ง่วงคนดีมันก็มีเรื่องให้ไม่พอใจอันนี้ธรรมดาบุคคลที่จะเจริญธรรมในธรรมคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานให้ตั้งสติได้นี่ในคนเรามันจะไม่มีสมาธิอยู่แล้วหรอธรรมฟังธรรมบวมมันมีนิวรณ์ใช่ไหมล่ะถ้ามีนิวรณ์อยู่เราไม่มีสติเราก็กําจัดนิวรณ์นั้นไม่ได้อยู่แล้วล่ะนิวรณ์หมายถึงเครื่องกางกัน้น สิงความง่วงซึมความฟุ้งซ่านความคิดไปนในทางพยาบาศเราจะกําจัดมันไม่ได้หรอกคำฝั่งถ้าเรายังเลื่อไปตามมันอยู่คุณเพลินไปตามความโกรธเนี่ยคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของความโกรธคุณจะไปกําจัดความโกรธดได้ไงคุณเพลินไปตามกาเม่กี่เล่พอใจเรื่องนั้นยินดีเรื่องนี้เราจะไปรู้ได้ไงว่าสิ่งนั้นมันเป็นปัญหาแล้วความเพลินความพอใจนะั่นเป็นปัญหาแล้ว เราก็จะกําจัดมันไม่ได้ไง น, นี่คือกระจอกไงแต่ถ้าไม่กระจอกใช่ไหมแต่ถ้าอาชายในใช่ไหมมีการมีพยาบาทมีความง่วงซึ่งมีความฟุง้งซ่านเกิดขึ้นนี่ตั้งสติเอาไวเ้เพ่งไว้อย่างดีเพ่งอยู่กับอะไรเพ่งไม่ใช่ว่าตามสิงนั้นไปนะไม่ได้ไปเลยไปนะแต่เพ่งในที่นี้เราใช้ลมหายใจเป็นต้นนี่ตั้งสติไว้อยู่กับลมไม่เพลินไปตามความง่วง ไม่เปลี่ยนไปตามความโกรธไม่เปลี่ยนไปตามความพอใจทางก า, างตาทางหูมีมาอยู่ก็จริงอ่ะแต่ไม่ได้ใส่ใจสิ่งนั้นไงพอเราไม่ตรึกตรึบไม่ใส่ใจไปทางไหนนะทุกฝังจิตเรามันก็จะไม่น้อไปทางนั้นไงจิตเราพอไม่น้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมันจะมามีอำนาจเหนือจิตได้ยังไงมันก็จะอ่อนกำลังมันก็จะ ไม่มีอำนาจเนือจิตของเราขึ้นมาพอมันอ่อนกําลังไม่มีอำนาจเนือจิตจิตเราก็จึงจะเริ่มเป็นสมาธิขึ้นมาสตินต้องตั้งไว้ก่อนนะแม้ตอนที่มีนิวรณ์เองก็ตามแม้ตอนปวดเมื่อร่างกายตอนง่วงตอนมีคนทําเสียงดังนั่นนี่ถ้าเราจะกโอ้ทำไมคุณนี่ทําเสียงดังเหลือเกินทําไมไม่สงบเหมือนตะกี้นี่คุณเป็นสัตว์กระจอกแล้วเพ่งไปในอดีตเลย ว่ามันต้องสงบเหมือนที่ผ่านมาเอาคุณอยู่ในสังคมคุณต้องเคารพกฎของสังคมนี่สังคมต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงอนอันนี้ก็เลิ่นไปตามอนาคตแล้วเพ่งไว้ในเรื่องอนาคตมันก็เพ่งแบบคนกระจอกไงไม่ได้อยู่ที่กับปัจจุบันไม่ได้เข้าใจความว่ามันจะคืออะไรเพ่งไปที่ที่คือเพลินไปเพลินไปละแต่ถ้าคนจริงคนอาชาไน เวลามีนิวรณ์เกิดขึ้นไม่ได้เพ่งไปข้างนอกไม่ได้เพ่งไปในอดีตไม่ได้เพ่งไปในอนาคตคือไม่ได้เพลนิไไพลไน ไ, ไ, ลไปตามนิวรณ์เหล่านั้นเครื่องการกันนั้นแต่มาสังเกตดูอยู่อะไรก็ใช้อะไรเป็นเครื่องมืออยู่แล้วการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือก็สังเกตอยู่ที่ลมพอสังเกตอยู่ที่ลมแล้วสภาวะที่จิตมันจะคล้อยเคลือล่อนไปตามความฟุ้งซ่านบ้างความกังวลใจบ้างความง่วงบ้าง ความอยากบ้างมันจะลดลงลดลงเพราะอะไรเพราะมีที่เพ่งที่จดจอดที่ระลึกถึงอยู่นั่นคืออะไรในที่นี้เราใช้ลมหายใจใช่ไหมอานาปานสิก็คือลมไงอยู่ที่รางเรื่องอาหารเหมือนกันไหมสองตัวเนี่ยใช่แต่ตัวหนึ่งเพ่งอยู่ทีวาเออเราจะตอบสนองไงฟุ่งไงสองคนนี่มีนิวรณ์เกิดขึ้นเหมือนกันไหมเหมือนกัน แต่คนหนึ่งเพลินไปตามนิวรณ์เพลินไปตามความง่วงเพลินไปตามความฟุ้งซ่านเพลินไปตามความพอใจความเรื่องกามในขณะที่คนหน uncommon, ึ่งก็มีนิวรณ์เกิดขึ้นเหมือนกันนะแต่พยายามเพ่งมาที่ล้มไม่เพลินไปตามความง่วงไม่เพลินไปตามความฟุ้งซ่านไม่เพลินไปตามความอยากในกามความพอใจสิ่งนั้นสิ่งนี้หม่แต่เพ่งไปกลจุด มัอนต่างกันแค่นี้เองนะตำรวงนะไว้คนละที่เลยจิตของสองคนเพราะคนเราเนี่ยพอมันตรึตรึกคิดนึกไปเรื่องไหนจิตเราจนน้ําคลอยเคลื่อนไปทางนั้นจิตเราน้ําคลอยเคลื่อนไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีกําลังมีพลังครอบงามีอํานาจเหนือจิตก็เราได้ทันทีคนกระจอกพิ่งไปในเรื่องการบ้างพิ่งไปในเรื่องง่วงบ้างพิ่งไปในเรื่องคนนั้นคนนี้บ้าง สิ่งนั้นก็จะมีอํานาจเหนือเราทันทีเพราะเราให้กําลังกับมันเราใส่ใจในมันเราสนใจมันจิตเราไปทางนั้นสิ่งนั้นก็ใหญ่ขึ้นมากว้างกวางขึ้นมาสุดท้ายก็ครอบงําจิตเราขึ้นมาอย่างที่อธิบายนะถ้าเราไม่เตลิดเตไปทางนั้นสิ่งนั้นก็จะมามีอํานาจเหนือจิตกราไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เพลินไปตามเสียงตามภาพตามความง่วงตามอารมณ์สิ่งที่จะเป็นสติสมาธิ ก็ยิ่งจะน้อยลงจะไม่สามารถมามีอานาจเหนือจิตของเขาได้เพราะเขาไม่ได้คิดมาในทางที่ใจเกิดสติสมารถเลยธรรมะที่อยู่ในจิตใจก็จะมีปริมาณน้อยลงมีอำนาจเบาบางลงเพราะก็สนใจไปในแต่เรื่องที่มันจะขวางทางธรรมพูดคุยแต่เรื่องเดรัชัยกาถาสนใจไปในอดีตอนาคตแล้วก็เพลิอนไปในปัจจุบันสิ่งที่จะเป็นกุศลมันก็มามีวนาจไม่ได้ สิ่งที่เป็นอกุศลก็จะมีอำนาจเหนือจิตขึ้นมานี่แหละมันคือคนกระจอกที่จะไปตามอารมณ์สะดุ้งอยู่เรื่อยไปตามคนนั่นไปตามคนนี้สะดุ้งอยู่เรื่อยไปตามสิ่งแวดล้อมมีวิสัยเหมือนอย่างของสัตว์ป่าสัตว์ที่ไม่ได้ฝึกที่เอามาออกจากป่าแล้วก็กลัวนั่นกลัวนี่ความจริงข้อนี้นะทกั่งมันสำคัญขอมาใช้กันได้กับอีกฝั่งนึงด้วย เพราว่าถ้าเพียงแค่เราตรึตรกมาอยู่กับลมนี่มีที่ตั้งที่ระลึกถึงปุ๊บนี่ใช้ลมหายใเป็นเครื่องมือนี่เราต ร, ตรึกไปทางไหนจิตเราคล้อยเคลื่อนไปทางนั้นไงพอเราต ร, ตรึกอยู่กับลมสติก็จะมีกําลังมากขึ้นตามกระบวนการของอาณาปานาสติมันมาได้ไงท่านเพราะความที่จิตจะเพลิ่นไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้น ง่วงบางฟุ้งซ่านบ้างการบ้างพยาบาทบ้างมันจะลดลงม่นด้ไอยู่ที่รางเลี้งอาหารแต่อยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจความอย่างไรเราจะเข้าใจความได้ก็มีนิวรณ์เหมือนกันนั่นแหละแต่เพ่งไปคนละจุดไม่เปลี่ยนไปตามนิวรณ์แต่มาตั้งสติเไว้พอเราตรึกตรึกคิดในเรื่องไหน่หมจิตเราเน่าไปอย่างนั้นใช่ไหมเราตรึกตรึกคิดในเรื่องลมจิตเราเน่าไปทางนี้สติก็มีกําลังมากขึ้น สติมีกำลังมากขึ้นในขณะเดียวกันเราไม่ตรีตรึกไม่คิดนึกเรื่องไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปอย่างนั้นใช่ไหมล่ะพอเราไม่ได้จะคิดไปตามกาลคิดไปตามอารมณ์คิดไปตามอดีอนาคตคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นคนนี้จะเป็นอย่างนี้สถานการณ์จะยังไ ง, งก็ตามสิ่งภายนอกนั่นนี่โ น, น่นพอเราไม่คิดไปจิตไม่ไปจิตไม่ไปความที่มันจะมีอํานาจเหนือจิตก็ลดลงไงมันก็จะไม่สะดุ้งสะเทือนไปตามสิ่งที่เป็นอดีอนาคตเรื่องคนนั้นคนนี้คนโน้สนสถานการณ์อะไรต่างๆ ไม่ไปก็คือไม่สะดุง้งพยายามที่จะเข้าใจความนี่เนะเริ่มเป็นสัตยาชะนายละเป็นบุคคลาชะานายละไม่สะดุง้งไม่ได้เป็นวิสัยของสัตว์ป่าความไม่สะดุ้งก่อ น, นี้วางก็จะทำให้จิตนั้นระ ง, งับลงระ ง, งับลงจนจะค่อยเป็นสมาธิขึ้นมาการเพ่งนะี่แหละมันจึงสําคัญว่างัง อยู่สถานการณ์เดียวกันแต่หันหัวตรงข้ามกันร้อยแปดิองศาอยู่บนถนนเส้นเดียวกันเดินไปคนละทิศนี่จบกันคนละที่นะถ้าคุณอยู่บนถนนผลโยทินคุณขึ้นเหนือนี่คุณไปนู่นนะเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮูสอนแต่ถ้าคุณอยู่ถนนพลโยธินคุณลงใต้นุรศวรีชัยไปทางนี้คุณไปนู่นเนี่ยสุไหงโกโลกนะ อันแถ้า ไ, ไปทางโน้นพอคุณไปโน่นนะเชียงใหม่นะคนละที่เลยตำรว ง, งเริ่มจากจุดเดียวกันนี่แหละคนกอบก็จะมนมึนตึงคนอาชาในก็จะมีทางที่มีนิพพานเป็นที่สุดจบไปตามฝั่งนี้ได้เพราะเราเพ่งให้ถูกกำหนดดูให้ดีระลึกตั้งสติให้ได้ แม่นิวรณ์เรื่องมืนเรื่องง่วงอะไรมันยังมีอยู่ก็าตามคนก็ยังทำเสียงดังกลิ่น อ, อะไรก็ยังมีแต่พอเราเพ่งอยู่ลมให้ดีแล้วสิ่งเหล่านั้นจะอ่อนกำลังลงเพราะเราไม่ได้ใส่ใจไปในือสิ่งนั้นบุคคล น, นั้นเรื่องอดีนาคตนั้นเบาบางลงจิตสงบเป็นสมาธิแล้วยังไงต่อที่สงบเป็นสมาธิเราก็ทำความเข้าใจต่อไปไง สัตที่ฝึกแล้วเนี่ยตั้งหังเขาก็จะฝึกให้ยิ่งขึ้นไปอีกรู้จักยกรู้จักย่างใช่ไหมต้องรู้จักยีดรู้จักย่อรู้จักเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเสะละกระโดดเอาลองดูเสะละลากเข็นหนักดูลากเข็นเบาดูช้าช้าดูเร็วเร็วดูพูดเสียงดังดูพูดเสียงค่อยดูให้คําสั่งใน สถานการณ์ที่มันมีคเครื่องกวนใจต่างๆนั่นนี่การฝึกเนี่ยมันก็ทําให้ละเอียดไปได้ให้แหลมกลมก้ไปได้ให้ลึกซึ้งลงไปได้เพราะเราผ่านนิวรณ์มาแล้วดูฝังด้วยความเป็นอาชาในในจิตใจของเราหมายถึงเราพยายามทำความเข้าใจความงเอาลมหายใจเป็นคเครื่องมือให้เกิดสติเอาสติเป็นคเครื่องมือให้เกิดสมาธิ เอาสมาธิเนี่ยแหละวางเป็นคเครื่องมือให้เกิดปัญญาเราใช้สมาธิเป็นคเครื่องมือเพื่อให้เกิดปัญญาใช้ยังไงก็ต้องเพ่งดูจดจอดูมันจะเข้าใจความได้ยังไงแล้วตอนคุณใช้ลมหายใจเป็นคเครื่องมือให้เกิดสติเนี่ยคุณทำยังไงเอามันก็อัตโนมัตินี่พอนึกถึงลมปุ๊บความนึกถึงมันก็คือสติงไงมันก็เกิดขึ้นทันที น, นละ พอมีสติเกิดขึ้นปุ๊บมันก็แยกแยะกันเลยแต่จิตที่เราจะเพลินไปทางนั้นมันก็ไม่ไปมันก็แยกออกจากให้ความเพลินเลยมันก็มาอยู่คนลมแตนมันก็อัตโนมัติไงแต่ในการที่จะใช้สมาธิเป็นเครื่องมือให้เกิดปัญญานี่มันไม่อัตโนมัติระวังมันจะเรียกว่าเป็นกึ่งๆึ่งแมนนวลนิดหนึ่งมันต้องอาศัยการที่จิตเราน้อมไปนิดหนึ่งเพราะลักษณะของสมาธิเนี่ย มันคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวมันจะนิ่งๆเย็นๆคุณจะอยู่นานเท่าไรก็ได้ถ้าฝึกดีแล้วจะชิวๆใช้เป็นเครื่องพักผ่อนเหมือนอย่างพวกฤาษีในสมัยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเขาก็มีสมาธิกันขันนลึกซึ้งกันมากชานสี่ชาญนแดเนี่ได้กันเข้ากันบางทีเป็นวันๆอยู่ในสมาบัตินี่บางทีหลายๆวันไม่ได้ออกไปกินข้าวเลยี่ย น, นี่คือเขาอยู่นิ่งๆงชูๆนุนเย็นอาศัยเป็นเครื่องอยู่ได้แต่ถ้าเราจะใช้สมาธิเป็นเครื่องมือให้เกิดปัญญาเนี่มันต้องกึ่งๆึงแมนโนนิดหนึง่งคือมันต้องเข้าไปคิดนิดหนึ่งใช้จิตที่เป็นสมาธิใช้จิตที่เป็นสมาธิเนี่ยนะน้อมไปน้อมไปในเรื่องอะไรก็เรื่องที่เราต้องพิจารณาเรื่องที่เราต้องการทําความเข้าใจ แต่คุณจะใช้สมาธิไปนในเรื่องการงานก็ได้คุณทำจิตได้เป็นสมาธิแล้วอย่าไปสนใจนอสอย่าไปสนใจสิ่งต่างๆที่มันจะทาจิตเราให้มันเบลเลินให้มันวุ่นวายเอาหายใจลึกๆสองสามครั้งกําจัดความไม่พอใจกําจัดความเพลินที่เป็นสมาธิแล้วเอาไปคิดเรื่องงานดูสิเอโรงงานนี่จะแก้ไขปัญหนานี้ยังไง การค่าอันนี้จะทำอย่างนี้ได้ไหมการทำอาหารการเขียนโปรแกรมจะใช้โปรซสเซอร์หรือสเต็ปขั้นตอนไหนคิดดูคือน้อมจิตไปน้อมจิตไปด้วยสมาธิที่มีนเรื่องการงานก็ได้ในที่นี้เราใช้สมาธิเป็นเครื่องมือให้เกิดปัญญาในการเห็นตามความจริงปัญญาในความที่ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันไม่เที่ยงนี่ก็พระเจ้าย่าไม่ได้ต้องพูดถึงเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเรื่องนรกสวรรค์อะไร น, นะเราไม่ต้องพูดถึงนะ เ, เอาแค่ปัจจุบันเดี๋ยวเนี้ไม่ต้องพูดถึงอดีตชาติเอาแค่เมื่อวานนี้ไม่ต้องพูดถึงชาติหน้าว่าจะเป็นยังไงเอาพรุ่งนี้แต่ก็ตัเวเดี๋ยวเมื่อวานนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องพูดกันนะเอาเดี๋ยวนี้ เพราะว่าเมื่อวานนี้มันก็ไม่เที่ยงเกืบเหมือนกับพรุ่งนี้ที่ยังก็ไม่มาถึงแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยที่เราอยู่กับปัจจุบันนี่เห็นเห็นตากันเนี่ยได้ยินเสียงอยู่เนี่ยจับมือจับต้องกันได้เาม่ยแว่ามันเที่ยงไหมเอาคิดข้อนี้เร่องแมนนั้นดันไปตรงนี้ดันจิตใช้จิตที่เป็นสมาธินี่จี้จอดลงไปในหัวข้อเรื่องนี้จี้จอดลงไปดินเอาดินมาดู ดินในเที่ยงไหมดินคืออะไรท่านก็ดินเนี่ยธาตุดินสิ่งที่เป็นของแข็งเหมือนภูเขาเหมือนแผ่นดินแต่ธาตุดินในตัวเราก็มีอาหารที่เรากินก็ไปที่มันเป็นของแข็งๆนี่มันก็ไปฟอรรมตัวกันเป็นเซลล์ของเราขึ้นมาเป็นอวัยวะต่างๆขึ้นมามีกระดูมีผิวหนังมีเนื้อพวกนี้เป็นของทรงตัวอยู่ได้ในก่าดิน ส่วนที่เป็นของเหลวเอ่อปาเปียกชุ่มไหลไปได้นั่นก็คือธาตุน้ำก็มาจากน้ำที่เราดื่มเข้าไปนั่นแหละสิ่งี้ที่เป็นความร้อนเป็นการเผาไหมเป็นการสันดาบอุณหภูมิในร่างกายนั่นก็เป็นธาตุไฟธาดมก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เอาจิตที่เป็นสมาธิมาพิจารณาดูธาตุดินน้าไฟลม ทั้งภายในและภายนอกร่างกายของเราความร้อนในกายคุณเอาเทอร์โมมิเตอร์มาวัดกับความร้อนภายนอกคุณเปิดตู้อบเห็นอุณหภูมินานเท่าไหร่ความร้อนข้างในหรือความร้อนข้างนอกมันก็คือธาตุไฟเหมือนกันนั่นแหละเป็นความร้อนเหมือนกันลมที่พัดอยู่ข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวมีฝนตกมีลมพัดมา ลมมันก็คืออากาศที่เคลื่อนที่ไปนั่นแหละด้วยความกดอากาศด้วยความนั้นที่มันแตกต่างกันตรงนั้นมันความดันสูงตรงนี้มความดันต่ำอากาศมันเคลื่อนที่หมายมกลายเป็นลมถ้ามันเคลื่อนเข้าไปในร่างกายมันก็คือลมหายใจเข้านี่แหละลมหายใจเข้าก็คือธาตุลมก็คืออากาศที่อยู่ข้างนอกแต่มันเข้ามาในตัวเราลมในท้องลมในไส้ลมเล่นไปตามบริเวณต่างๆนั่นก็ธาตุลมน้ำที่เราดื่มเข้าไปอาหารที่เรากินเข้าไป ก็เป็นธาตุน้ำธาตุดินดินน้ำไฟลมภายในก็ตามภายนอกก็ตามเหมือนกันอย่างงี้เราก็โตษนะ่ะอะไรที่เราท่ายออกมาเนี่มันก็เป็นธาตุดินใช่ไหมล่ะฝังดินลงไ้เออก่อนจะแยกไว้ใส่ถังแทรกถังหมักถังบําบัดมันก็คือธาตุดินนั่นแหละน้ําเราปัสสาวะออกมามันก็ไหลไปตามถังบําบัดมันคือธาตุน้ํานั่นแหละลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็คือธาตุลมนี่แหละ หมุนออกไปทั้งเข้าและออกทั้งในและนอกต่างเป็นธาตุดินน้ำฝ่าลมเหมือนกันเข้าใจความนี้ให้ดีอาชานะเข้าใจความพยายามเข้าใจนะมันก็จะให้ความสําคัญว่าเฮ้ยธาตุดินภายในสําคัญกว่าธาตุดินภายนอกมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันตรงไห น, นเอาปากามาวงดูตรงเข้าดูตรงออกดูตรงในและนอกนี่ มันมีธรรมชาติเหมือนกันน้ำด้วยไฟด้วยลมด้วยเหมือนกันเพราะมันมาจากข้างนอกจากข้างในไหลออกไปข้างนอกก็รีไซเคิลเป็นอย่างนี้คือกายขอเราเนี่ ย, ยืมโลกก็ามาเฉยนะมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดคืออยู่ในคันของมารดาอาศัยเชื้อจากของพ่อประกบประงมผ่านการบริหารคันขึ้มานี่เอาใช้คันของมารดาเป็นแดนเกิด เกิขึ้นมาแล้วก็กินข้าวกินน้ำนีแ่แหละมันก็โตใหญ่ขึ้นมาได้ยืมโลกเข้ามาเฉยๆคือพ่อแม่ตอนที่เลิตเราขึ้นมาจากคันท่านก็กินอะไรอะ่ะก็กินข้าวกินน้ําที่อยู่ในโลกนีแ่แหละเป็นสารอาหารอยู่ในโลกนีแ่แหละเป็นธาตุดินน้ําไฟลมที่ท่นรับประทานเข้ามานั่นแหละผลิตก็ออกมาจากนี้ยืมโลกเข้ามาแต่าตายไปนี่ไม่ได้เอา ชิ้นส่วนของร่างกายไปได้แม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะเงินทอนที่เขาจับยัดใส่ไว้ในปากของคนตายเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วสับเบลอเอาไปคนตายไม่ได้เอาไปด้วยเลยของสิ่งของอะไรไม่มีเอาไปได้เลยร่างกายไม่ได้สิ่งของไม่ได้แต่กดหมายถึงว่าเป็นของยื ม, มสหายเฉยๆอาศียีนนําไฟลมนี่ให้เขาใจขวามว่ เข้าใจความว่ายืมมาแล้วแค่มาใช้งานตายไปเนี่ยเอาไปไม่ได้เพ่งจด่อมาในธาตุสีดินน้ำไฟลมที่อยู่ในกายของเราว่าเหมือนกันกับที่อยู่ข้างนอกข้างนอกเป็นยังไงข้างในก็เป็นอย่างนั้นคือก็ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ไหมายว่ามันจะเหมือนกันไปนะว่าดินมันยังมีดินเหนียวดินร่วนดินปนทรายลมยังมีลมร้อน ลมมีฝุนลมไม่มีฝุนน้ำมันก็ยังมีน้ำสีแดงน้ำข้นน้ำเหลืองน้ำเลือดมันแตกต่างกันอยู่ในความที่มันเป็นน้ำแตกต่างกันอยู่ในความที่มันเป็นดินแตกต่างอยู่ในความที่มันเป็นลมเป็นไฟแต่ที่มันเหมือนกันนี่ดินก็ดินเหมือนกันลักษณะแบบเดียวกันน้ำก็น้ำเหมือนกันลักษณะแบบเดียวกันมีคุณสมบัติอย่างเดียวกันแล้วที่เหมือนกันทั้งในดินน้ำไฟลมเลย่ะ คือมันไม่เที่ยงเหมือนกันนะทุกฝังมันเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่ปรุงแต่งกันมาถ้าไม่มันอยู่ในสภาพความที่เป็นดินถ้าไม่มันอยู่ในสภาพความที่มันเป็นน้ําเป็นลมดูอย่าง H2O ทําไมก๊าซธรราไม่เรื่อว่าน้ําก็เพรมันเป็นอากาศได้เป็นไอน้ําได้เป็นน้ําแข็งได้น้ำไม่ถึงของเหลวเป็นธาตุน้ําแต่พออุณหภูมิต่ำกว่าศูน ก, กลายเป็นธาตุดินเพราะอุณหภูมิเกินร้อยน้ำนั้นอ่ากลายเป็นธาตุลมอุณหภูมิใส่ก็มันก็ธาตุไฟตัวเดียวเนี่ยเป็นได้ทั้งดินน้ำไฟลมหมุนกันไปตามอะไรนะตามเงื่อนไขปัจจัยขออะไรอุณหภูมิความดันปรับกันเข้าไปดิปรับกันขั้นแล้วเดี๋ยวมันก็แข็งเป็นธาตุดินปรับเป็นเข้าแล้วเงื่อนไขอย่างนี้เดี๋ยวมันก็เป็นธาตุน้ํา เดีวมันกเปนธาตุไฟธาตุดมหมุนเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยกายของเราเหมือนกันนะบางทีอากาศร้อนร่างกายเป็นได้รับคลื่นความร้อนก็มีอาการแบบหนึ่งบางที่อากาศหนาวบางคนกินรสเผ็ดเกินไปบางคนกินอาหาเผ็ดนี้เข้าไปร่างกายก็มีสวะวะาอุณหภูมิสูงขึ้นบ้างลดลงบ้างมีอาการทาง เกี่ยวกับความคิดบ้างเกี่ยวกับเป็นผืนบ้างเป็นให้ออกกาลังกายได้บ้างก็แล้วแต่เงื่อนไขปัจจัยที่ปรุงแต่งกันมากายขเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเพราะมันก็เป็นธาตุสี่ดินน้ําไฟลมให้เห็นตามความเป็นจริงเพ่งมาที่ตรงนี้เพ่งมาในกายเหมือนกันนะเพ่งอย่างอาชาัยหรือเพ่งอย่างกระจกถ้าเพ่งอย่างกระจกเพ่งมาในกาย ก็จะดูความสวยงามนี่เอเอเป็นอย่างนี้เออผมต้องสวยอย่างนี้เอออาหารประเภทนี้เนี่ยกินแล้วมันบำ ร, รุงไอ้นี่เออนี่หน้าตาต้องสีผิวอย่างงี้เด้งอย่างนี้นี่คือลักษณะที่บอกเพ่งอย่างมากระจอกไงที่เดียวกันก็จริงกายของเราเหมือนกันนะแต่ไปคนละที่เลยเพ่งอย่างสันอาชาในมาเพ่งเห็นตามความเป็นจริง แต่เพ่งอย่างสะท ก, กระอ้นนี่คือเพลินไปตามอารมณ์เพลินไปตามความพอใจไม่พอใจมีความผิดบาทมีนิวรณ์เกิดขึ้นอย่างที่ว่าไปแต่เพ่งอย่างอาชาในนั้นคือเพ่งให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเอยมันไม่เที่ยงนะมีการเปลีป่ยนแปลง ไ, ได้นะมันเป็นเงื่อนไขปัจจัยของสิ่งต่างๆปรุงแต่งกันมานะความที่ว่าเพ่งไม่ถูกเนี่ยเขาเรียกว่ามีความเห็นผิด มีความคิดไม่ถูกเป็นมิจฉาทิฐิเพราะเห็นเข้าใจคลาดเคลื่อนไปแต่ถ้าเพ่งให้ถูกเข้าใจให้ถูกรู้ความให้จริงถูกนี่คือเอาตามความจริงความจริงนี้เรียกว่าสัจจะเอาตามความจริงอันประเสริฐจึงเรียกว่าเป็นเรียสัจจะว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัย มันทนอยู่ในสภาวะความเป็นอย่างเดิมของมันไม่ได้สิ่งที่ไม่เที่ยงนะเรื่องนิจจังตามเงื่อนไขปัจจัยให้มันทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้นี่ความที่มันทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้เราเรียกว่าเป็นทุกข์ไงและสิ่งที่มันทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้ด้วยตามเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงมันนี่เราจะมาหาสุขในสิ่งนี้ที่มันเป็นทุกข์นี่ เราจะหาไม่ได้ได้เป็นของจอมปลอมเฉยๆของโลวงๆนะของแบบปะปะของแบบปุโรทั่งของแบบไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนของแบบมันไม่เจริญใจแล้วคุณจะมาหาความเจริญใจในสิ่งที่ไม่เจริญใจจะมาหาสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์มันได้แบบปลอมๆนะ่ะเขาเอาเทปนี่เอาเทปผ้านี่นะมาปะปะไว้เอากระดาษมา สร้างขึ้นทําเป็นบ้านเขาก็ได้กล่องนะเราใช้เทปผ้านะมาปะปะกันทํ า, ป า, ปาทเป็นชั้นหนึ่งทำเป็นชั้นสองทำเป็นบันไดให้คุณเดินโหนี่เป็นบ้านอย่างดีนะเขาขายของนี่นี่ราคาเท่านี้เท่านั้นนะจะองเดี๋ยวนี้ลดส่วนลดพิเศษทันทีเลยเฮ้ยมันมันถ้าเข้าใจไม่ถูกนี่คือปลอมนะดูเหมือนเป็นบ้านแต่เอาเทปมาปะเฉยได้นิดหน่อย ไม่ใช่ของจริงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งที่มันไม่เที่ยงพราบมันตามเงื่อนไขปัจจัยมันไม่ได้คงที่คงตัวอยู่ในสภาวาเดิมไม่ได้หรือว่าเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์จะมาหาความสุขในสิ่งนี้ไม่ได้ได้นิดหน่อยได้ไม่ของจริงได้ของปลอมไฉยเฉยได้ของปลอมจะ เ, เอาทำไมอะของปลอมมันก็สมมติไง สมมติสัจจะใช่ไหมมันก็ไม่ใช่อริยรสัจจะสิสมมุตินะวันนี้เป็นบ้านไหมเอากระดาษมาติดเอาอะไรมาติดเอาโฟมมาปะเป็นบ้านจริงๆสมมุติเฉยไม่ใช่ของจริงจริงๆจริงจริงจริงๆเลยมันเป็นทุกจริงจริงจริง ๆ, ๆ, ๆเลยที่ว่ามันเป็นทุกนี่หาสุขไม่ได้มันจะไม่ใช่ของเราไงเราจะเอาสิ่งที่เป็นทุกมันเป็นของเราเนี่ยไม่ได้ไม่ควรไม่ดีเพราะมันไม่ใช่ของจริง มันเป็นของปลอมของสมมติสิ่งที่มันไม่ใช่ของจริงของปลอมของสมมติเราไม่ควรจะมาเป็นของเรามันจึงเป็นอนัตตาไงไม่ใช่ตัวตนไม่ได้ควรค่าที่เราจะยึดถือด้วยความเป็นตัวตนตัวเราของเราได้ไม่ดีถ้ายึดถือแล้วจะเป็นไงจะมีปัญหาปัญหาอะไรก็จะสะดุงด้งสะดุ้งไปตามกา ร, ปรเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นของนั้นที่ว่ามัน ไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกแล้วใชายุโดยสมมติมันก็ของเรานั่นแหละเช่นบ้านคุณรถคุณคุณไปซื้อมาของนี่มันก็ของเรานั่นแหละนัน่นคือสมมติไงแต่จริงๆจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเพรายอะไรเพราะมันเป็นของเขาของเขานี่มันของใครของตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาไงเงื่อนไขปัจจัยที่ําให้รถคันนี้มันยังอยู่บ้านคันนี้มันยังอยู่ หรือสิ่งของนี้ยังอยู่กับเราเป็นของเราเป็นสมมติที่เราเรียกวันนี้ของเราของเราของเรานี่แต่จริงจริ ง, จ ร, ง, จ, รงจริงเลยนี่มันเป็นของเขาโดยความที่มันตามเงื่อนไขปัจจัยเงื่อนไขปัจจัยมันยังทํำให้อยู่กับคุณมันก็อยู่กับคุณก็คุณมีนโฉนดคุณมีเอกสารเสร็จใชงเงินไปซื้อมาแต่ถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยเขาเปลี่ยนแปลงไปให้ของนี้ไม่อยู่กับเราเช่นเขายกเลิกกฎหมายบางประการ ที่ทำกินไม่ได้หรือขายต่อไปที่นี้ก็ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วไม่มีกรร ม, รร ม, รรมรสิทธิ์ไม่มีเอกสารสิทธิ์มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่ของเราเพราะอะไรเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยนั้นแหะเรียกว่าเป็นอนัตตาสิ่งที่เป็นอนัตตาตามเงื่อนไขปัจจัยคนที่เป็นเจ้าของมันจริงๆนะไม่ใช่เรานะเพราะมันเปลี่ยนตามเงื่อนไขปัจจัยได้ไง สิ่งที่เป็นเจ้าของจริงๆมันคือเขาเขาในที่นี้คือเหตุเงื่อนไขปัจจัยของเขาเหตุเงื่อนไขปัจจัยของเขานี้จึงเรียกว่าไม่ใช่ของเราอาจจะเป็นของเราแค่ชั่วคราวอย่าไปเข้าใจว่าเป็นของเราตลอดการเข้าใจให้ถูก นั่นจะเรียกว่าเป็นอาชาไนถ้าเข้าใจไม่ถูกเรียกว่าเป็นคนกระจอกเจอผัสสะเหมือนๆกันถูกผูกไว้ที่รางเลี้ยงอาหารเช่นเดียวกันแต่เพ่งคิดไปคนละที่สัตว์กระจอกเพ่งอยู่แต่ว่าอาผลประโยชน์จะมีอะไรจะได้อะไรหาแต่ความเป็นตัวตนของฉันของฉัน และของฉันแต่สัตว์อาชาในถูกผูกไว้อยู่ที่รางเลี้ยงอาหารเพ่งอยู่ที่ว่าถ้าคนเลี้ยงทำอย่างนี้จะต้องแสดงผลอย่างนี้เข้าใจเหตุเข้าใจผลไง น, นี่มคือเพ่งถูกไม่ใช่เห็นแต่ว่าเป็นของเราแต่เห็นอยู่แต่ว่าต้องฝึกยังไงทำยังไงคนกระจอกเห็นอยู่แต่ว่านี่ของเราของเรา ของฉันส ม, มองสมมติละไม่ใช่ก็สมมติก็ของฉันนั่นแหละจริงๆเราก็ของฉันด้วยนี่แต่คนที่เป็นอาชาไนมีภาษาเหมือนกันของอย่างเดียวกันแต่เพ่งไปเข้าใจความอาชานะเข้าใจความว่าอ๋อนี่เป็นนันตาเออมันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยเขาก็ธรรมดาเหตุเงื่อนไขปัจจัยเราก็ยังใช้งานได้ตามสมมุติมัน จริงๆนะมันก็ตามเงื่อนไขปัจจัยนะยังอยู่ที่เราเราก็ใช้ไปไม่อยู่ที่เราเราก็ไม่ได้ต้องใช้เข้าใจคว่านี้ให้ดูฟังเพ่งจจอๆมาอย่งนี้การเพ่งแบบนี้นะทุฟังจะได้รับการนอบน้อมสูงสุดแต่ได้รับการบูชาสูงสุดเพราะเป็นบัณฑิตขั้นสูงสุดสูงมากๆเลยสูงเป็นบัณฑิตนี่คือ สุดนี่คือที่พระอาหารหันตะ์จะอาหารหันต์แบบปัจเจกพุทธะอาหารหันต์หรือจะอาหารหันต์แบบสัมมาสัมพุทธะอาหารหันต์ได้หมดเขาอย่างธรรมดาธรรมดาก็อาหารหันต์ธรรมดานี่แหละอรหันต์ธรรมดานมันก็เริ่มสูงสุดได้ตั้งจิตขอเราดีทฝังให้เราใช้สมาธิสติปัญญาที่เราฝึกธรรมในช่วงของจิตวิเวกนี้เอาไปอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา ฝึกใช้ลมหาใจเป็นเหตุเป็นเครื่องมือให้เกิดสติฝึกใช้สติเป็นเครื่องมือเป็นเหให้จิตเป็นสมาธิใช้สมาธิเป็นเหตุเป็นเครื่องมือให้เกิดความเข้าใจปัญญาในเรื่องต่างๆทั้งที่เป็นสมมุติและสัจจะหรือวิมุตตินั่นเองธรรพชาติขอเป็นกําลังใจให้เกิดปัญญาให้ตะมุฟังนั้นได้เข้าใจสิ่งต่างๆตามที่พระราพุทธเจ้าได้สอนไว้เป็นผู้ที่ประกอบด้วยปัญญามีความเป็นอาชาใน เข้าใจความสูงสุดทายในช่วงของจิตวิเวกนั้นจะมาพบกับทรมวังเป็นประจำในทุกวันการตั้งแต่เวลาตี 5-6 ถึงโมงเชา้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็เครือข่ายของกรมประสัมบันธตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา org eanya. dot org รายการนี้จะโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูรณ์อาภิปุณนโญนล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีคร